นัดถือพุทธศาสนาว่าเป็นสรณะที่พึ่งว่าเป็นของดบของดงีแล้วเคยได้ยินในที่ทต่างๆนักเทศนก็สอนหนังสือแล้วก็อธิบายไว้ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์นำความสุขมาให้ แกชนทั่วไปนี่เราเคยได้ยินเดีย๋ยวนี้เสมอเราเพียงจะได้ยินแทุกๆคนก็พากันได้ยินว่าศาสนาเป็นประโยชน์แกมนุษย์ชาวโลกแต่ทุกคนนั้นเน่ยไม่เคยรับรสชาติของศาสนาที่วันนำประโยชน์แลอความสุขมาให้ อย่างแท้จริงแล้ว อ, อย่างมีตรงนี้แหละมันยังสาคัญ อ, อยู่นังอธิบายให้ฟังแล้วตอนเย็นนันอธิบายทั้งเรื่องศาสนาไม่ได้สอนให้คนถือสอนให้คนปฏิบัติในศีลที่เราพากรรมฐานนี่ว่าเวลามณี ขาประทังสมาธิยานิคำลงท้ายว่าสมาธิยานิข้าพระเจ้าขอสมาทานคือถือเอาเลยไปถือคําว่าถือเอาเวระมณีเลยไม่ได้คิดถึงเวระมณีแปลว่างดเวน้นคือการปฏิบัติตามนั่นเองรวมกลงแล้วว่าข้าพระเจ้าขอรับเอามาปฏิบัติ ตานั่นต่างหากไม่ใช่ศีลเมื่อถือเมื่อไม่ถือศีลศาสนาก็ไม่ถือเหมือนกันศาสนาเป็นของปฏิบัติอันนี้เราพากันโฆษณากันว่าศาสนาเป็นของดีมีไว้เพื่อประโยชน์ความสุขแก่ชาวโลก แต่ว่าบางคนหรือโดยมากยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเกรงด้วยจักรสชาติของศาสนาก็ไม่มีทิตแปลกอะไรกันละกับคนทั่ ว, วไปอย่างเขยอวดนักอวงหนาอาหารตัวนี้ถูกปากอาหารนั้นอเ็จอร่อยเหลือกเกินเมื่อเขายกมาให้เราก็โชว์แล้วก็ช่มชม ทั้งเรื่องอาหารน่ะนะมาเป็นของดิบของดิบแต่ตัวเองยังไม่เคยชิมเลยก็ใช่กัน น, นั่นเองเห็นไหมในวันนี้จะเทศนาทั้งเรื่องหลักพุทธศาสนาที่เราจำเป็นที่จะต้องนำไปปฏิบัติชีวิตประจำวันทุกทุกคนเพื่อให้ได้รับผลและเห็นคุณค่า แท้จริงของพุทธศาสนาหลักที่จะอธิบายนี้จะไมมีอะไรมากมายครับสักสีข่ข้อหัข้อสำคัญสาคัญสักสีข่ข้อที่ท่านแสดงว่าเป็นคลาวารธรรมทำทำของคารวะคําที่ว่าคาวะจะรำก็ดีหรือทำของมันก็คิดก็ต่างถึก ถึงแม้ว่าบัณฑิตจะเอาคารวะจะทำมาปฏิบัติก็ไม่มีผิดแปลกอะไรหรือธรรมของบรณฑิตบางอย่างมันประการคารวาจะไปปฏิบัติก็ไม่มีผิดแปลกอะไรพราะารรมเป็นของพวกลคนไหนปฏิบัติแล้วจะรู้จักจะได้รับรสชาติของพระธรรมนั่ น, นเอง ธรรมของาาสารวัตสี่ประกาศนั้นมีดังนี้ข้อหนึ่งอันว่าว่าสัจจะคือความซื่อสัต์สุจริตข้อที่สองธรรมรู้จักข่มใจทั้งตนข้อที่สามทีติ คือทำตัวตนให้มั่นอยู่ในหลักธรรมอะไ น, นีนะ่ข้อที่สี่จาคะคือให้รู้จักสละทั้งวัตถุภายนอกและภายในมีสี่ขอ้อลองสังเกตดูนะสัจจะความซื่อสัจจรหิต เป็นหลักใหญ่เป็นหลักใหญ่ประกันโลกเป็นของมีคุณค่ามหาศาลคนเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกันถ้าหาว่าขาดสัจจะอันเดียวร็่แล้วจะเป็นทุกข์ระเดือดรอหาความสนุกหาความสุขสบายไม่ได้เลย จัดจากคือความซื่อสัจสุจริตเราจะประกอบภารกิจตางงานในกระตาอย่างเป็นถ้าแต่การประกอบราชการบ้านเมืองเขามีเวล า, วลาให้ทาํางานนั่นในความซื่อสัจต่อเ ว, เวลาต่อการทา ง, งานเราไปกินข้าวอาหารหรือหลับนอน ถ้าหากว่าตรงตามเวลาเวลาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อเวลาเวลาสุขภาพกระดิ่งในความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อการงานซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อบุคคลบุคคล น, นั้นตั้งต้นนั่นแต่ตั้งเริ่มต้นนั้นแต่สองคนขึ้นไป เช่นธรรยาสามีซึ่งไว้วางใจซึ่งกันที่สุดเชื่อใจกันที่สุดหากขาดสัดจจะแค่ตัวเดียวเ้าแล้วพังเลยเดือดร้อนเป็นทุกข์ทิเนี่ยเริ่องต้นอย่างนี้ไปแค่ก่อนความซื่อสัจจะจริตนี่แหะกงไปกงมา เรามาลองทดลองลองทาดูสักก่อนจะพ่อในระหว่างคนสองคนอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อเราทดสอบทําลองดูเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วเราสามารถถึงจะพูดได้เต็มปากเลยว่าโอ้ยทรมนี่เป็นของดีจริงเป็นของอิเศษจริงถ้าหากเราปฏิบัติไม่ได้เราก็จะเห็นโทษท่านดีทันทีทันใ ด, นดแล้วก็สามารถพูดได้ว่า ความไม่ซื่อสัตย์จริตมีแม้ร้ายกาจที่สุดร้ายกาศอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนาท่านพูดถึงเรื่องสัจจะและพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าผู้ที่ไม่มีความซื่อสั์เรียกว่าพูดคนโกหกโกหกแล้วก็ต้องมีมายาตา มันก็ตามกันมาเมื่อโกโหกแล้วก็หามายามีมายาลบหลีดติดตัวไม่อย่างให้เขาดูจักกลามชั่วคึอกว่าโกหกขงตน<ม>ก็ต้องเกิดมายาผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์คือมันจะพูดทั้งเรื่องเฉพาะละถ้าโกหกเรียกว่าพระไม่มีสาละ ถ้าอันนั้นเรียกว่าพระขี่แกบท่านว่าพระขี่แกบคือเปลือกเข้า น, นั่นเองเกศไม่มีเข้าสารไม่มีนี่พระโกหกเท่า น, โโนั้นนอกจากนั้นอีกถ้าพูดอีกว่าอันนี้มันทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระเลยคนเราถ้าตกลงแล้วเป็นคนโกหกแล้วไม่มีใครเชื่อถืกอกำเนิดก็ขี่แกบ ไม่มีแก่แต่พูดทั่วก็อีกคนผู้โกหกแล้วนั้นบาปกรรมอื่นซึ่งจะไม่ทําไม่มีต้องคิดดูสิตงลงได้โกหกไปแล้วนะ่ะบาปกรรมอื่นจะไม่ทําให้มี mm hmm. ก็หมายความวเรื่องโกหกก็ความไม่มีความละอายบาปจึงยอมโกหก ไม่กลัวเกรงต่อบาปและไม่อายต่อบาปเมื่อไม่เกรงกลัวและไม่ละอายแล้วก็ทำได้ทุกทุกอย่างเรื่องธรรดาความชั่วทั้งของมีเรื่องความโคตรคือววามไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ต่อเวลาต่อการต่องานไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคล เมือเ่อมาซื่อสัตย์ต่อการต่องานและต่อบุคคลหรือต่อเวลาก็เป็นอันว่าเบียดเบียนตนแต่ในตัวลองคิดดูสิเบียดเบียนตนนี่ไม่ใช่เบียเบียนคนอื่นเลยเราทําการทํางานไม่ถูกต้องตามกมตามเวลาเวลาท้ายเย็นใต้บังคับบัญชาวคุณใหญ่เขากำลังเเบียดเบีย น, ย น, ยนตนเองน่ยนะ ดีไม่ดีเขาไม่ทำงานเขาไล่ออกซํำการงานไม่ตรงต่อเวลาเวลาคาาเคลื่อนเวลาเวลาเสียไปเท่าไหร่การงานคนที่จะได้หรือเสียศูนย์นะพ่อไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคลก็อย่างที่อธิบายมาตนเองพอยไรับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ไปด้วย มีคนเราเข้าใจผิดคิดว่าโกหกหลอกลวงคนอื่นได้เราจะได้ชนะเขาแต่แท้ได้จริงคือเราแพ้ตัวของเราเองคือความดีหายไปเอาความสั่วมาแทนนั่นเรียวกว่าแพ้ตวนนี้นีบพูดถึงเรื่องสัจจ้อแหละข้อที่สอง พูดถึงเรื่องธรรมะคือการค่มใจทังตนคนเราเจ้ามีทิฏฐิมานะต่างคนก็ถือตนถือตัวแข็งกระด้างไม่ค่อยจะยอมคนง่ายๆบางครั้งบางคราวทาั้งๆ ท, ที่ตนรู้สึกอยู่ว่าตนผิดตนไม่ดีแต่หากว่าคนอื่นตักเตือนว่ากล่าวเขาไม่ค่อยจะยอม มีได้แขงกระด้างดื้อดันเลื่อนล่ำไปเอาชนะเขาล่ำไปอีกอันนี้เรียกว่าไม่ได้คมใจต้นไม่มีธรรมะถ้าหากเรารู้จักคมใจอดกลัน้นธรรมะ ก, ก็คือกดกลั้นนั่นเองคมใจก็คือกดกลั้นนั่นแหละฟังเหตุฟังผลพิเพราะพิจรารณา ว่าดีชั่วพิษถูกเรื่ไปการใดแต่ก่อนเราเรายังคอยแก้ไขปรับปุมตนเองมีการธรรมะคือการข่มถ้าหาต่างคนต่างไ้ข่มซึ่งกันและกันแล้วมันก็ปุ้งทั้งสองเมื่อสองคนปุ้งแล้วสามสี่คนก็ฟุ้งไปต่างต่างกันไปแล้วก็เจออไป ขอให้เข้าใจเถอะพุทธศาสนานั้นเป็นเหมือนกันกับ น, น้ำสะอาดหรือสบู่สำหรับปอกผ้าหรือของสอกปรกถ้าหากว่าเราไม่ ย, ยมอมเอาสบู่มาปอกหรือว่าไม่ ย, ยม อ, อมเอาน้ำสะอาดมาล้างตัวของเราก็จะไม่เป็นคนสะอาดสกปรกจะล้งไป ศาสนาถึงแม้จะเป็นของดีวิเศษเอาไว้สำหรับล้างกิเลสควบควบชั่วของคนก็นตามแต่คนไม่ยอมออามาล้างและก็หมดวิถีทางในพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะคือการพรมใจของตนนั้นคือหมายความว่าล้างความชั่วของตอนแล้วของไม่ดีของตอนคือกิเลสตอนอันหนึ่งเหมือนกันกิเลสประเภทหนึ่งเหมือนกันความแข็งกระดา้าง ไม่ยอมตนไม่ยอมคนอื่นเรียกว่าไม่รู้จักคงใจขอตนเนี่ยเรื่องศาสนาความมุ่งของศาสนานั้นดีดีแต่คนเราเป็นชาวพุทธนั้นกลัวกลัวความดีในพุทธศาสนาจะมาชําระล้งลางคิตใจของตนโดยมากเราไม่ค่อยจะยอม ถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาและกลัวนะักกลัวหนาะกลัวจะมาล้างฤาลีบาประธรรมตนให้อยู่โดยอิสระยังค่อยสบายถ้าหาว่าศาสนาพูดคือข้ า, ามสองเราจะพูดถึงเรื่องความชั่วแล้วไม่อยากฟังมันบิดเบือนไปใช่มีความเห็นของคนโดยสามมติเป็นอย่างนี้เหตุนั้นคนจึง นำศาสนาปฏิบัติไม่ได้ไกลออกห่างจากศาสนาไปทุกวันทุกทีและเมื่อห่างไกลไปเท่าไดไม่มีศาสนาไปจำอยู่กับใจกับกายกับใจของตนแล้วโลกก็ยังจะมืดมัวกันทุกทีโลกก็มีแต่จะเดือดร้อนก็ทุกวันแล้วก็ต่างคนก็พากันร้องตะโกนโอ้โหบ้านเมืองเดือดร้อนบ้านเมื อ, องหุดหวิด ศาสนาเสื่อมศาสนาสูนอะไรอทอะไรเยอะแย่พูดกันไปทุกแห่งทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่ยอมที่จะรับสาศาสนามาปฏิบัติโดยความจริงใจมีข้อที่สองเรียกว่าธรรมะข้อที่สามทิฏฐิคือว่าให้มีธรรมะมั่นอยู่ประจำใจตองต ใครจะหยิบยกเอาธรรมะอะไรขึ้นมาก็ตามธรรมะในซึ่งมันเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนขอให้นำมาปฏิบัติให้มันได้อย่างที่อธิบายมาสัจจะคกามซื่อสัตว์อันนี้แหละเรามันขี้โกหกไม่เอาจะเอ า, ามซื่อสัตว์มาแล้วงับมัน เพราะเราต้องการอยากจะชำระมันต้กงกบฏตรงนี้ให้มั่นคงตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆอย่างจังทําให้มันตลอดรอดฝว่าบางทีอาจจะมีความขัดแย้งขึ้นในในสมัยอย่างนี้คนเราทุกวันนี่แหมถ้าหากกลงไปคงมานักมันไม่ไหวสวิเขาเขาไม่ได้พุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่เราคนเดียวสอนหมดทุกคน สอนให้ทุกคนพาไปปฏิบัติหากเขาไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติสักก่อนอามาปฏิบัติสักคนหนึ่งสัก <im ri ana> ่อนน้อยคนไม่ปฏิบัติก็ทิ้งมาสักก่อนเมื่อเราปฏิบัติเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วเขาไม่ปฏิบัติกับคนชั่วของเขาจังหวะแล้วปฏิบัติก็เป็นคนดีขึ้นมาก็ดีขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็เอาและสี่บาทนั่นแหละร้อยคนได้คนหนึ่งก็เอาและสี่ยองไงกันอีกอันนี้เขาไม่ปฏิบัติเราเลยก็ไม่ยอม ออกมาปฏิบัติแล้วก็เมื่อไหร่มันจะดีได้สักทีโลกอันนี้มันจะสะอาดได้ยังไงทุกคนก็เอาได้ของสกปลกมาโก้ะะกันเขา่าไม่มีใครจะมาจักรล้างกันสักคนไม่เอาของสะอาดมาล้างทักคนมันกับมุมมองกันไปหมดทั้งโลกเลยนี่เลยจึงว่าไม่มีใครยอมปฏิบัติศาสนาเลยไม่เห็นคุณค่าของศาสนาเลยเอาศาสนามาตั้งไว้โกโก้ไว้เฉ นี่ข้อที่สามทีติข้อที่สี่จาคะคือให้รู้จั ก, จกสละคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกอยู่คนเดียวแล้วไม่ไหวไม่สาบจะกลุ้มใจไปถึงไหนเห็นหน้าเห็นตาแค่สกคนสองคนพอได้พูดพอได้ยิ้มแย้มไป่กัน ถึงไม่ได้พูดเอาถ้าอยู่กับคนใบ้ทั้งหมดเราพูดไม่ได้ก็ยังกุ่นใจนะให้ไปอยู่คนเดียวได้เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องคึกษาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็รู้จักสระจากะแบ่งสันปันส่วนตามสมารส่วนให้ซึ่งกันและกันแล้วพระเจ้าท่านชมเชยนักหนาการสระแบ่งปัน อนุวดตดังมิตานสันสติผููให้สมานมิตรไว้ได้อย่างดีมาสมัยนั้นน่าชมน่าชบโลกสมานมิตรกันไว้ได้ดีที่สุดแต่ว่าจิตใจแท้จริงของเขาไสาวา จ, จะสมานได้ถึงไงถ้าสมานมิตรเลยนำใจอันบริสุทธิ์จริงจริงจังก็เป็นบุญเป็นกุศลนำขึ้นประโยชน์ความสุขอายอย่างมหาศาล แต่ว่าเขาสมานมิตรนในสมัยเจนีะไม่จะสมานมิตรถึงขนาดขั้นไหนก็ไม่ได้ถ้าหากว่าให้น้อยเพื่อประโยชน์อันใหญ่อันนั้นก็ไม่ดีไม่ดีแท้ให้น้อยแล้วต้องการประโยชน์อันใหญ่ไม่ดีแทให้โดยไม่ต้องการหวังประโยชน์ตอบแทนอันนั้นให้โดยน้ำใจเรียกว่าจาคะโดยแท้ ยาข้าวมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ต้องชราสิชราของที่มีอยู่ไม่ได้คิดว่าจะต้องการสิ่งตอบแทนและทดแทนเพื่อประโยชน์ในการให้นะซึ่งจะเป็นบุญเป็นกุศลนั่นแท้จริงคิดๆ ด, ดูเราทําบุญในพุทธศาสนาก็แล้วกันจะเ ก, กีมากน้อยมาเคยคิดเลยว่าจะทวงเอากลับคืนมาแต่อาจจะมีบ้าง บางคนคงคิดคงเห็นต้องการรุ่มรวยทำบุญนำทางกับพระอยากได้โชคได้ลาภก็ไร้อาจจะมีก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ไม่ใช่จาคะฆแท้จาคะฆะแท้เป็นวุญญุสุนเต็มเี่ยมบริบูรณ์นั่นน่ะให้โดยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสสร ะ, ะจาคะฆลงไฟไม่มีหวังการตอบแทนวุญแหละไม่ใช่ตอบแทนหรือ อาจจะมีคำแย้งก้ น, นเราต้องการบุญแล้วไม่ได้ไปขอเอามาจากท่านคือเราทำบุญไม่ได้ไปขอมาจากละเขาทำบุญนั่นคือเราจาคะด้วยน้าใสใจบริสุทธิ์นั่นคือตัวบุญความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นที่ในใจนั่นคือตัวบุญไม่ได้ไปขอมาจากละศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ ปฏิบัติศาสนาทำบุญในศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ถึงจะถูกต้องมีจาคะส่วนภายนอกจาระคะของภายนอกหมดเป็นหมดสิ้นไปบางทีเราหาได้แล้วก็ได้ทำบุญหนทางคือได้มีการจารคะหากเล่าหาไม่ได้เพราหมดหนทางไม่จากจะไหนไปจาระคะมีที่จะจาระคะยังมีเยอะ วัตถุนั้นเป็ของหมดได้ส่วนหัวใจมันหมดไม่เป็นแล้วไม่ตายต่างใดยังจาค่าได้ตลอดเวลาคนอื่นเขาทำบุญจนทานหากว่าเราไม่มีอะไรที่จะโมทนาของเขาแล้วก็โมทนาด้วยใจเรื่องใส่ดีดีอย่างนีเรียก ว, ว่าจาค่าหายในใจก็เป็นบุญเท่าๆอกันแรืวอาจจะบุญมากกว่าวัตถุจะซ้ำกาไหน จะฆ่าภายในใจของเราเีเราคิดสละควงโกรธควบอิจฉารทธยาเรามีภายในทมเถจจะฆ่าไปเทดดิดโกรธที่โกรธนี่ไม่อดของง่ายของโตก็เริ่มจะฆ่าวันเดียวรถสองรถกันเห็นจะไม่หมด นั่นบนใหญ่บนโตเราจาก่ะคือความกลบได้เราสบายเบาใจเบากายนีจาค่าภายในทาไปให้ใครละกานี้หาเสียฐาไมีปัญหาเว่าอะจาค่าไปให้ใครไม่มีใครรับไม่อดหลกคนจะรับจาฆ่าความชั่วความชั่วต่างๆจาฆ่าสลั ทิ้งไว้ในโลกเหมือนกับพื้นแผ่นดินใครจะทิ้งสองของสกปรกโสโครหรือของดิีของดีอะไรก็ตามเถอะแผ่นดินไม่ได้อยอมรับมัดโลกอันนี้ความชั่วใครจะมีมากน้อยาาจากใครศรัทธาพระไปเถอะทิ้งไว้ในนี้แหละให้ใครรับก่อนทิ้งไว้ในนี้ขอได้เราจากพระจริงๆยอมจริงๆกัน แ, แล้วแต่นี้โดยมากมันก็จะยอมนั่งหวงอยู่เสียดาย ถ้าทิ้งหมดก็กลัวจะไม่มีอะไรจะใช้ความโกรธความเกลียดความดิ้นรนความอะไรต่างๆว่าหนักนี้นับตั้งต้นในเด็กววมลีวเกียดที่ข้านมาั่ง่ายจะไปถ้าจะทิ้งแล้วก็เสียดายขี้ค่านับตัวจะไม่ได้ใช้ที่จริงใช้แล้วมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ให้โทษทั้งตนและคนอื่นเรื่องจากข้า ภายในใจเป็นของหาได้ง่ายหาได้ทุกเมื่อหาเมื่ อ, อไหรก็ได้หมดจากะที่เราได้นี้นะมันก็เป็นของมีอยู่แล้วแต่ก่อนมีอยู่แล้วในโลกนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าไล้อริยญาสงสาวโกทั้งหลายนักรากท่านผู้รู้ทั้งหลาย ท่านทิ้งแล้วท่านยังเข้าสู่พระนิพพานแล้วเกิดมาพากันมาแย่งมาชิงกันเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องความอิจฉ า, าดิทยาชิงดีชิงเด่นมือนี้ท่านทิ้งหมดแล้วท่านยังไม่ถึงพระนิพพานในพวกเราเกิดขึ้นมาเห็นนะ่าเป็นของดิบของดีแย่งชิงกันยุ่งกันใหญ่ ทำสี่ประการคือว่าสัจจะหนึ่งสัจจะคือความซื่อสัตย์จริงธรรมะรู้จักขงมใจต น, นี้หนึ่งและก็ทิฏฐิให้เป็นคนมีธรรมะตั้งมัน่นแน่วแนว่จริงใจงนี่อันนึง จะค่ะรู้จักสละทั้งวัตถุและทางกิเลสนี่เป็นข้อที่สี่สี่ข้อนี่แหละมาลองทดลองทำลองดูตั้งใจปฏิบัติลองดูสมมติว่าในครอบครัวบ้านเรือนของเราะนะข้อหนึ่งแม่หนึ่งเป็นสอง ล, ลูกอยู่สองคนเอาพอดีพอดีอ่ะสี่คนก็พอดีละ แบ่งปันกันคนละอันคนละขอบมาลองลองลองดูใครจเอาข้อไหนนั้นก็เอาแต่ก่อนที่จะเลือกเอาข้อไหนนั้นอย่าไปลืมคำย่อธิบายฝนนั่งตนว่าธรรมะคาสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องชําระล้างของสกปรกเราสกปรกข้อไหนอย่างเราคิดโกหก แล้วไม่มีความซื่อสัตย์ดีเอาคนนั้นต้องเอาความสัจจะคนไหนไม่ใจกอดจากคนกคนั้นคนขี้โกรธงุนหงิดขุนเฉียวเอาคนนั้นต้องเอาธรรมะหาคนไหนคนไหนหไม่ตั้งมั่นเนี้ยแน่จักจดทําอะไรก็ไม่เนี้ยแน่ไม่เป็นอันทำรร เล้วหลายยอะตลอดเอลาคนนั้นต้องเอาคอทีดีคนไหนมักยึดมักถือแน่วแน่มั่นทิฏฐิมานะหรืออุปทานในมันม่นคงเรียกว่าถือลั่นคนนั้นเอาจ่าค่ะได้คนละคอละคอแล้วเอาหละละองตั้งหน้าตั้งตาลองทาลองดูปฏิบัติตามลองดู ไม่มากสักสามวันหรือเจ็ดวันก็จะเห็นคุณค่าไปแล้วทำทั้งสี่ประการนี้เลยค่นี้อย่างว่ารับประปฏิบัติคนละขอ้อละขอ้อเมื่อเราปฏิบัติและได้แล้วทำสี่ประการนี้จะเชื่อมเข้ามาเป็นอันเดียวกันหมดเลยค่นี้อย่างว่าเราอดเราอย่างว่าเราซื่อสัตุจริต างานอธิบายฟังกันตัวอย่างเช่นภรรยาสามีเด็กกันเนี่ยไม่ด้วยจักซื่อไม่คดเคลื่อขี้โกหกไม่ซื่อสัตย์ติดต่อกันอย่างว่าสามีไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาให้สามีทําความซื่อสัตย์เป็นคนสัตย์เป็นคนซื่อสัตย์กันอันพูดภรรยานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่สัตย์ ไม่ซื่อสัตย์เมื่อพระเจ้าเมื่อสามีซื่อสัตย์ก็ให้คนโกหกด้วยความซื่อด้วยความด้วยความซื่อสัตย์เท่ า, านี้อันนี้เราก็ได้ยินได้ทันเทีท่านอธิบายไว้แต่ตัวเรายังไม่เคยทดลองลองลองทําลองดูไม่ทดไม่ได้ไปเพื่อปฏิบัติลองดูมีมันเชื่อมทับกันเองคนหนึ่งไม่โกหกแต่คนนึ่งโกหกเมื่อคนโกหกนั่นแหละ เป็นคนซื่อสัตย์จะกลับเป็นคนดีคนที่ไม่โกหกนั่นอ่ะก็จะชมเชยหรือคนที่โกหกทั้งสองแหละแต่อีกคนหนึ่งโกหกไว้ซื่อสัตย์เนี่ยคนโกหกนั้นก็กลับจะมาซื่อสัตย์ต่อกันอีกเปงนไงได้คุณของธรรมะคนที่ไม่ตั้งมัม่นเมื่อมีคนหนึ่งมาตั้งมั่นแล้วไอ้คนที่รู้งจักรห่มใจของตน เมื่อแล้วข่มใจได้ครับค้นหนึ่งข่มใจได้อีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่เคยข่มใจก็จะพลอยละอายตัวแล้วก็จะมาข่มใจตนเองใช่ไหมลูกไม่ถือทิฏฐนะิมรณะแต่รู้จักข่มใจของตนทอนใจตนค้นหนึ่งยังไม่มีธรรมะไปคิดตั้งมัน เนี้เขาตั้งมันดีนี่พอเห็นเขาตั้งมันมันของเทควันไม่เปลนอย่างนี้นี่คนนี้มันแน่วเนี้ยมันคงนี่อันนี้นธรรมะเป็นเครื่องอยู่คนที่ไม่ตั้งมันในธรรมะก็จะเกิดความละอายใจเขาเออความละอายใจได้จะกลับมาเป็นคนตั้งมันอยู่ในธรรมะต่อไปคนที่รักษาจากขะรู้จักสละ ทั้งวัตถุภายนอกและภายในอ่อธิบายมาแล้วคนอื่นที่ไม่มีจากะะก็จะพลอยสระจากะฆะไปด้วยคือการละขีโกหกก็เป็นจากะฆะอยู่แล้วการข่มใจตังตนแต่ก่อนไม่เคยข่มเมื่อข่มเข้าก็เป็นจากะฆะอยู่แล้วคนไม่เคยตั้งมั่นในธรรมะ มาตั้งมันจะทรมะก็เป็นจาฆะของไม่ดีอยู่แล้วทำทั้งหลายเลยเชื่อมันเข้าเป็นอันเดียวเป็นก้อนเดียวกันหมดคนในครอบครัวนั่นสี่คนมีธรรมคนละอย่างละอย่างมั่นคงแน่วแน่เอาไปแล้วทำเลยรวมทั้งหมเป็นก้อนเดียวกันมันจะมีความสุขขนาดไหนรับหูลัตาพิจาราลงคิดนึกลงดูแลกแล้วกันในนี้ทำคำตอบพระพุจัา สอนดีทำก็เป็นของดีสอนก็สอนดียังเหลืออันเดียวถ้ากูฟังยังไม่ยอมปฏิบัติตามยังให้แต่คนอื่นปฏิบัติตนเองไม่ยอมปฏิบัติเห็นเขาไม่ดีแล้วไปอยากยังให้เขาปฏิบัติอยากให้เขาดีแต่ตัวเองไม่ยอมดีเมื่อเขาดีแล้วเราจะไม่ทราบจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าอย่าไปให้คนอื่นดีเราดีซะก่อนเราทำตัวเราให้ดีซะก่อน คนอื่นไม่ดีกว่าช่างเขาเราต้องการดีนีแล้วไม่ต้องการชั่วเมื่อเราทําดีก็ได้เสอ้ยวปฏิบัติตามธรรมข้อสองพระเจ้าเรียกว่าปฏิปฏิบูชาบูชาพระเจ้าโดยการปฏิบัติจะเอาไงกันอีกบุญผู้สนกันหมดเท่านัา้นสิบุญทั้งหลายก็อยู่ในการปฏิบัติบูชานะั่นวิเศษสูงสุดที่สุดแล้วนะถือศาสนานั่น ไม่มีประโยชน์เท่าการปฏิบัติจะมาถึงว่าถ้าปฏิบัติอย่างที่ว่ามานี้ก็ได้ชื่อว่าเราเข้าถึงพุทธศาสนาเราปฏิบัติตามธรรมคาสอนพุทธเจ้าโดยแท้ไม่เสียชาติที่แต่มาเกิดล่มเงาในพุทธศาสนาและไม่ได้ฟังธรรมคาสอนพุทธเจ้าของดีวิเศษแลื่ของมีค่าแล้วเรานํำมาใช้ให้ได้ประโยชน์เห็นกระจัดด้ยวยตนเอง แล้วใครจะมาทำให้นอกจากเราเราเท่านั้นเองได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ที่ฝ่นตนเองดีก็เราเป็นคนดีคนเดียวคนอื่นไม่ดีก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องนี่นหลักในทางพุทธศาสนาที่ว่าเราทำไม่ได้หรือทำได้อยู่ที่ตรงนี้ ถ้าหากเชื่อมั่นแน่วแน่ว่าเป็นของจริงแล้วมันอดไม่ได้ต้องทํากันจริงต้องปฏิบัติให้จริงท่านี้เรายังว่าท่านเข้าใจแล้วยังว่าท่านรู้จักรสชาติไม่ได้รับรสชาติความจริงอันนี้รักอันหนึ่งซึ่งมันไม่จริงอยู่นะ่ะอคนทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่จริงทําดีไม่ได้ดีทําดีได้ชั่วทําชั่วได้ดี มักรงกันอยู่ตรงนี้ดี <ขอ S 1> ในทนี่นี้น่คนไม่เข้าใจมักพูดกันอยู่เสมออย่างเขาทำการทำงานเป็นข้าราชการทำงานทำการดีดีแทบต้มแทบตายทำอะไรกันซื่อสัตย์จริตแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มองเห็นเราเลยนี่พูดกันทุกคนแยงปะกอยูตลอดเวลา ทำว่าทําดีไม่ได้ดีทดําดีแทบตายเขาไม่ให้คุณงามคนดีต้องให้ขั้นให้ลดให้ยศให้ตําแหน่งหน้าที่แล้วก็พูดอยู่แล้วว่าทําดีนั้นพูดอยู่แล้วเราทําดีเราเห็นของดีขึ้นแล้วเราจะว่าเราทําดีแต่ที่เขาไม่ให้นั้นเขาไม่ดีต่างหากเขาไม่ให้ต่างหากมันเป็นเรื่องของเขานี่ยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเรา อย่างโลกทั้งหลายพากันมองว่าได้เกียรติชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ยังเรียกว่าดีอันนั้นมันเขาให้นี่ไม่ใช่เราทำไม่ไม่ใช่ของเราเขาให้ผู้ใหญ่เขาให้เขาไม่ดีเขาก็ไม่หายเขาไม่เห็นดีเห็นชอบขึ้นทําดีสักเท่าไหร่เขไม่ชอบใจไม่ชอบนใส่ยเราเขาก็ไม่หายแต่คนดีแล้วมันไม่ดีหายไปไหนแล้วก็รู้ตัวงเราดีดีอยู่เราทําดีก็รู้ดูอยู่ดีๆนั่นแหละคำว่าทําดีไม่ได้ดีไม่จริง เข็นอยู่ทำชั่วได้ดีมีถมไปเราทำชั่วลงไปคนอื่นเขาจะให้ตำแหน่งหน้าที่ให้ขั้นให้ชั้นอะไรก็ตาม่นแต่เราก็ลุ้กกอยู่ในใจเราเราทำไม่ดีมีผิดพลาดอยู่ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นของจริง อันเป็นของปลอมของหลอกหลอหลวงอย่างเขาหลอกลวงทุกวันนี้ในผลที่สุดตกลงไม่ได้ค้นหลอกหลวงกันทั้งเอคนจริงเลยไม่มีขาดสัจจาดังอธิบายมาแล้วในเบืองต้นเมื่อไม่เห็นความดีได้ตนเช่นนี้แล้วจึงยากที่จะยอมปฏิบัติธรรมเหตุนั้นจงพากันพิจารณาอีกใหม่ก่อน ความดีในทีน่นี้เกียรติยศตําแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆนั้นอยากเข้าใจว่านั่นเขาไม่ให้นะั่นเป็นเรื่องของคนอื่นพวกเขาจะให้ต่างหากเขาไม่ให้แต่เป็นเรื่องของเขาเขาให้มาแล้วเขาจะถอดเขาจะทิ้งกต่เป็นเรื่องของเขาต่างหากของเราจะให้มันหวานไหวอันนี้เป็นของติดตามตัวของเราไปทุกข้าวยากตลอดในชาติอันนี้ ตายไปแล้วเป็นของเราความดีนี้อั่นความดีปลอมๆหลอกอะเห็นที่ไหนมันคงทาวารที่ไหนบ้างแกเห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโล ก, กเห็นกันอยู่ยงั้นดีหลอกๆปลอกไม่ไม่ใช่มีความสุขเราเมื่อไม่เข้าใจก็ได้คทุกข์เหมือนกันก็ไม่ได้เข้าใจความดีอย่างที่ว่านนี้น้อยอกน้อยใจเสียใจเพราะขอไม่ให ก็เดือดร้อนเหมือนกันถ้าหากเราเข้าใจโดยนาอธิบายแล้ไม่เดือดร้อนสบายเราสบายใจความบริสุทธิ์ใจของเรานี้เพราะความดีของเราที่เราสร้างเป็นขอนติดตามตนตลอดกาลเวลาเรารู้สึก ต, ตลอดทกเมื่อทุกอย่างถ้าหากเข้าใจตรง น, นี้แล้วยอมปฏิบัติศาสนาโดยไม่มีการ สกิรตะโกงในใจเดชนีนิดเียวทำด้วยความชื่นใจด้วยความพอใจอิม่มใจจริงอันนั้นแหละจึงจะเข้าถึงศาสนาพุท ธ, ธมามากะาคือพุท ธ, ธบริษัททั้งหลายเราได้แต่ชืแต่ว่ายังไม่เข้าถึงพุท ธ, ธศาสนาสมกับว่าเป็นพุท ธ, ธมามากาะหรือพุท ธ, ธศาสนาในตัวตนโดยแท้เราเพื่อเจ้า เทศนาธรรมคำสองสอนคนให้ได้ดีผู้ปฏิบัติให้ดีเพื่อประโยชน์แก่นุชชาวโลกผู้ปฏิบัติตามจริงๆมีคุณค่าประโยชน์ดังอธิบายมานี้